พุทธศาสานาต้องเป็นหัวเลิดอันหนึ่งต้องมีเครื่องเลือดมีอันเลิดอันหนึง่งไม่ได้ติ่งอยู่เฉยๆทำเป็นเครื่องอยู่ของท่านจะต้องยกตัวอย่างเช่น ถ้ามหาสัจกะเป็นะ ท, ท่านก็เป็นโพเลศอยู่ในตุลโลงสาม พ, พ่อหรืออยู่ในป่าเป็นนิสัยของท่านให้ท่านบรรลุมรรคนนผลอิพานอันนี้ไม่ลืมท่านไม่ได้ประมาทมันเป็นจิตท่านหนึ่งที่เนื่องอยู่ในจิตของท่านเป็นนิสยัยเสมอ คล้ายๆมัเป็นธรรมเครื่องอยู่ของท่านเป็นโฟลเดอรในพุทธศาสนาของเรทุกคนเราตลอดทุกวันนี้ก่อเมือนกันที่เราอยู่ในพุทธศาสนานี้ในกลุ่มกลุ่มเราอยู่ด้วยกันจะต้องอาศัยซึ่งกันและกันจะต้องมีเครื่องเรือไม่ว่าห น, นุ่มหรือแก่จะต้องมีเครื่องอันหนึ่ง ไม่พูดถึงมนุษย์แล้วเราพูดถึงสัตว์ก็ได้พูดถึงสัตว์ก็ได้มันต้องมีดีไสของมันเป็นเครื่องแปลกสัตว์อย่างอื่นถึงอย่างห น, น, น, นึ่งพระนเรนามีกูมนกันเช่นพระโมคคัลลานท่านก็เลิศในทางที่มีฤทธิ์เป็นคุณสมบัติของท่าน ภาษารีบุตรท่านก็เป็นผู้เลิ่ทางปัญญานี่เป็นผู้เลิ่องคงเงินก็มีปัญญาเหมือนกันแต่ว่าไม่เท่าถึงภาษารีบุตรภาษารีบุตรท่านเป็นผู้เลิ่ทางปัญญาให้ผู้มีปัญญานี่ก็ช่วยเหลือเกื้อกูลพระสงฆ์หักพุทธศาสนาเป็นผู้มีฤทธ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 มันตน้องมีประจำใจอยู่บางท่านบางองค์ชอบสะอาดคอยใจเช่นอะไรภาษาที่บุตรยังไงจำไว้ใึ้นใจจะให้ถึงแม้ท่านจะห่มผ้ากีบอ น, น <c oughs> มือท่านใส่ดุกดุงอยู่อย่างนี้ท่านมองงองดูลานวัดทางจงกรมที่ว่ามันมี ใบไม้ ม, มันมีละอองต่างๆอยู่ที่มันขีดขวังกันก็เอาตีนเคลียร์มันมีอยู่นั่นยมันเป็นชนวนอยู่นั่นคนที่ชอบอนันละเยดไปดูที่ไหนเกะกะไม่ได้แค่ต้องจับออกแค่ต้องให้มันละเอียดเรียบร้อยอเพราะตัดเห็นว่า การสั้งวรสังรวมรู้จักความศักประโข้างนอกอย่างตัวเสนาชนะท่านก็รู้จักเครื่องศักประโบอธิมันถูกกายของท่านถูกกีวรของท่านรู้จักของสักประรู้จักเครื่องศักประเรื่องถูกกีวรของท่านอาชวะทั้งหลายที่จะมาเกาะจิตใจของท่านให้เจาหม่องท่านก็รู้จักรีบแก้ไขรีบสะสางตรวจตาอยู่เสมอ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 บางคนก็ชอบพูดมากอดไม่ได้แต่พูดเป็นธรรมะอย่างนี้ก็มีบางคนชอบพูด น, น้อยทำมากๆมันตรงมีเครื่องเลือดอยู่ในใจช่วยกันในกลุ่มนั่นจึงเจริญขึ้น้องตั ว, ต, ว, ต, วตัวดูดิบางองค์ก็เลิอดในการทำาวามเพียนอดทนยาน สารพัชอย่างเลยผู้เฒ่า <c oughs> ผู้แ ก, ผก่ผู้หนุ่มปานกลางท่านให้เคารพทั้งผู้เฒ่าผู้ปานกลางผู้หนุ่มนี่จิตใจของท่านจะเป็นอะไรตั้งกต่เคารพทั้งหมดถ้ามีฝวาฝืน ไม่มักมัดใหญ่ไฟสูงต้องมองดูเสมอตัวเสมอดิไม่ก้าวกลอันนี้ท่านอยูเลยความไม่ประมาทคนแกถึงแม้ว่าเรียวแรงไม่มีอย่างราชาพามเป็นต้นทำอะไรไม่ได้แต่ท่านก็เริศเลือดในทางเกว่าสอนง่าย หลวงตาในปัจจุบันนี้มีกี่องค์ไหมเลิอดมีใครเลือดไหมดูในใ จ, ข, จของเจ้าของเนี่ยเป็นเจไดพอเลือดกับเขาไหมนี่อย่างนี้อันนี้ก็ฟังแล้วเนี่ยเราจะพามันเลิอดต่างต่นี่ะไม่ไม่ได้อะไรเลยจะสอนง่ายภาษาดีบุตรท่านเป็นครูเป็นอาจารย์ท่านสอนว่าเอท่านจะต้องทําอย่างนี้ก็ทํา อันนี้ท่านก็อยู่ที่นี่ท่านก็อยู่ท่านจงไปที่นั่นท่านก็ไปเนี่ลาธพรามณนี่จนเป็นคนดูไม่ออกเงินเป็นคนแก่จะไปขอบวชที่ไหนเขาก็ไม่บวชให้เพราะมาคนแก่แล้วบวชไปทํำไมคนแก่เข้าเข็ดน้องตามาหลายชาติเห็นไหเห็นน้องตาเลยเลยรวมกับเป็นบวชในไม่ชอบ ลาธพราในสมัยนั้นออกจากวัดนั่นไปวัดนี้ออกจากวัดนี้ไปวัดนั่นไม่มีใครให้อยู่แค่ขอบวชพระพุทธองค์ท่านมาทรงเห็นบุปคิสัยของราธพราบ่าถ้าเราไม่ให้ที่พึ่งลาธพราเนี่าก็จะขาดที่พึ่งนอกจากเราไปแล้วก็ ราษฎพราหมณ์นี่จะเป็นมีทีพึ่งนะทันปีจะนายแยางนั้น ม, มาประชุมสงฆ์น่าพระเรียงสงฆ์ให้ทราบจะบวชราดับต่างๆไม่มีใครบวชไม่มีใครเอาอ ม, ม, มีนะผมก็เคยถูกเลยแ ก, แกไม่น่าจะเอาหรอกทิ้งไว้เงน้นแต่มันดีก็มีนะ มันดูข้างไปมันดีกว่านี้นีีกว่า น, น, น, น, นี้มันไม่แน่หรอกอันนี้มันไม่แน่ อ, อันเครื่องเรืดของคนคุณสมบัติของมนุษย์นี่มันมีในใจพระพุทธเองค์ประกาศสง่าใครเห็นอุปการะของ ร, ฐ ร, รัฐพาวหรือไม่ภาษาดิบุตริ้าพระองค์็จะจ่าเห็น ความดีความชอบของราษฎรพรมเม็เอดอุปกรณ์ขุมไม่ในสมัยหนึ่งข้าพระองค์ก็้ไปบิณฑบาตในบ้านนั้นราษรพราม์ใส่บาตรเนี่ยะพีนี่เรียกว่าอุปกรลอุปกรลของอาภาษารีบุตรท่านไม่ลืมเนี่ยแม่ข้าวทะพีเดียวเท่านั้นนะ ไม่ได้จำนะมันจิตอยู่ในใจของท่านราธฟรามจะไปที่นั้นท่านก็มองเห็นเพราะวันนั้นถ้าขาดข้าวในตะพีนั้นน่ะชีวิตของท่านก็จะนิดเหนื่อยวันปฏิบัติธรรมะก็จะไม่เป็นไปเราปฏิบัติธรรมะเป็นไปมาตลอดทุกวันนี้เพราะมีส่วนของราธปามคือข้าวตะพีนั่นเหมือนตัดเห็นภรราอย่างท่าอย่างนั้นก็ให้ภาษาทีบุตร เอาคนแก่ไปบวชนะพระายทีบุตรคนรับไปสวงองค์เงินทิ้งหมดแล้วเอาไปบวชโอ้ยไปแนะนำธรรมสอนเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายทุกอย่างอะไรยอมยอมเท่านั้นละละท่นั้นและยอมเท่านั้นแ่ละทิฏฐินี้ลาบลงไปแชลไ ออกพรษาแล้วกลับมานำ้ำมัตการพระบรมศาสดาของเราพระสังมปาษฎราสัญชามาทันทาศาัศนิบุตรข้าพุทธเจ้าเป็นยังไงดุจจิตแก่แกเป็นยังไงภาษาดิบุตรตอบว่าคนแก่นี่ดีมากสอนง่ายที่สุดบอกให้ไปก็ไปบอกให้หยุดก็หยุดบอกยังไงได้อย่างงั้นเลยเรียบร้อยเท่า น, นั้น พระพุทธองค์ในยกกันเลยราชภาพนีแนะ่เป็นผู้เลิศกว่าพิกษจทั้งหลายในพุทธศาสตร์น้าพง่ายลักษณะนี้มีบ้างหรือเปล่า น, นี่อันนี้กับคุณสมบัติของคนแก่เหมือนกันไม่ควรทิ้งเหมือนกันให้เข้าใจให้ดีๆนั่นจะต้องมี <c oughs> <c oughs> การประพฤติปฏิบัติเป็นอย่างนี้ต่าง่า เครื่องเรือเป็นผู้เรือเป็นผู้เรือในทางที่มัดน้อยสันโดษอย่างนี้ก็มีทุกอย่างเลือเนี่มันคืนคายได้เลยติดในส้นดานอยู่เรื่อยไปอันนี้เป็นคุณธรรมประจาใจของกุนวุหุลุกหลานที่หวดในพุทธศาสนาอันนี้ขอให้มีในใจของเราทุกคน พนดูว่ามันมีอะไรบ้างหรือเปล่าเมื่อเป็นเด็กนำมาบวชขนาดนี้หรืออยู่มาจนแก่ปานนี้แล้วอืมจนอายุสี่สิบปีห้าสิบปีหกสิบปีเจ็ดสิบปีปานนี้แล้วมีอะไรฟัางหรือเปล่าอยู่นี่ให้เราสึกนึกในใจของเราเสมออืมนึกในใจมันไม่ใช่ของเรานะ่ะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่อำนาจเรานะ่ะอเราได้อยู่สบาย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 ผู้รายเห็นเราคนนั่นก็เห็นธรรมตกตงเนี่ยก็คือธรรมนั่นแนหะคือพระพุทธเจ้าถ้าใครมีความประมาทแล้วก็ไม่บรรดุธรรมะก็คือหมายถึงพระพุทธเจ้านั่นเองไม่ได้กราบพระพุทธเจ้าไม่ไม่ได้กราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็คือธรรมะธรรมะก็คือพระพุทธเจ้านี่ เรายังไม่เห็นมันยังไม่ถึงอย่างนี้เราไม่รู้จักเหมือนกันกับเราทุกวันเนี้ยเป็นเด็กมองหาคนแก่ไม่มีนะมองหาคนแก่ไม่เห็นเห็นแต่นู้นคนแก่เรื่อนู่่นเราไม่เคยเห็นคนแก่ไม่เคยเห็น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 อย่างจงใจปฏิบัติของเราจะพบธรรมะคือพระ พ, ทพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็คือธรรมะธรรมะก็คือพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญอันนี้เราจงจงเตือนตัวเราเองเตือนเสมอถ้าเราไม่เตือนตัวของเราไม่ได้นะเราเนีอยู่ดีกิน ด, ดีปฏิบตัติสัตวต่างๆเน่ยมันลืมตัวจ้ะเห็นว่าเราเป็นนั่นเห็นว่าเราเป็นนี่เห็นว่าเราดีเพราะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้น มันดีเพราะพระพุทธเจ้ารีเพราะเราปฏิบัติธรรมะไม่ใช่อย่างอื่นไม่ใช่เป็นเพราะเราพูดง่ายๆวัตถุอนันนี้บางคนแหวบุญเราหลายสร้างบุตนี่ได้แล้วไม่ดูเรื่องอันนี้อำนาจของธรรมะอันนี้อำนาจของพระพุทธเจ้าจะอานาจของเราเบืดอไรล่ะทำไมถ้าเราทิ้งการปฏิบตัติดูที มันจะเป็นัไงไหมแต่ว่าทุกวันมันมีสิ่งหลอกลวงน ะ, ะตาคนไม่ถึงมันก็ได้อย่างนี้มันเป็นบวชมาในพุทธศาสนาแล้วผมก็เคยยํำเสมอว่าหน้าที่ของเราจะทำยังไง<ม>การสวดมนต์ทำวัเดเล็กๆในน้อยอย่างนี้บางคนก็จะไม่ว่ามันเป็นประโย์อ่าอย่างนี้ อยู่สบายกินสบายผมนึกว่าเราไม่มีอะไรผมนึกว่ามันมีอะไรแต่ว่าถ้ามันขาดที่พึ่งแล้วมืออะไรเนะ่ะมันจะไม่สบายนะ่ะไม่สบายพูดถึงเรื่องเห็นง่ายๆสมัยก่อนเนะ่ยผมอยู่กับครูบาอาจารย์เป็นพระน้อยเนร น, น้อยสบายไม่ต้องทอง่องสมบุญอะไรก็ได้ วิสัยโลกเขาทำอย่างนั้นอย่างนี้ไปสวดมนต์ทำวัดกันหนังเฉยๆก็ะดานืมนะเราได้กินเหมือนกันไ้อยู่เหมือนกันสบายไม่รู้ขี้เกียจไปถึงคราวที่ครูบาอาจารย์หนีเราไม่อยู่ซะแล้วอ้าวโยมซื้อดอกไม้เข้ามาในวัดหูมันรอดว่าว่าว่ากันแล้วอืม นึกถึงยาขาสัพพีก็ไม่ได้ยึดนึกถึงยาทุนก็ไม่ได้นึกถึงยานี้ก็ไม่ได้วุ่นคอแห้งไม่อยากกินข้าวแต่เดีนี้กลัวโยกเนี่ยมันไม่มีความกล้าหาอนจะไปทำอะไรก่อนคำว่าสักเคนสักกีกัมมีเจอรูปีญาณเนี่ยกลัวนี่มันไม่มีความกล้ า, าหานพูดไม่ได้กลัวมันจะผิด เพราะเราไม่ใส่ใจของเรา่เองอันนี้เป็นสิ่งสีส่งสำคัญระวังนะนี่ควระวังระวังไว้นี่ฉะนั้นจันจึงเป็นคนเลิศเป็นผู้เลิศอย่างหนึ่งก็อดทนเป็ิดเลือในทางอดทนยกตัวอย่างที่พระอะไรพระอะไรเป็นเป็นคนจีนเนะี่ยที่มาอยู่กับเราเนะี่ยเมี่ยงชุยอ่ะเมี่ยงชุย นี่ท่านนี่เลิศอย่างหนึ่งเหมือนกันเลิศในการปฏิบัติหวดเช็ดอืมสถานที่ต่างๆเช็ดทําความสะอาดพระพุทธรูปทาความสะอาดที่อยู่ที่อาศัยให้จะช่วยก็ช่วยให้เจ้ไม่ช่วยก็ยจางไคฮะสั่งกัน้นที่สบายให้เจ้าว่ายังไงก็ว่าไม่ว่าก็จังห้ทําได้เรื่อยนั่นเออ มันมันมั น, ม, นมันทําด้วยศรัท ธ, ธาจริงๆท่านก็ทําก่อนอยู่นี่ท่านก็ทําไปวัดนั่นท่านก็ทําทําอยู่อย่างนั้นแหละเป็นอย่างนั้นบางคนไม่ใช่อย่างนั้นนะอืเป็นของเราถึงทำคนอื่นเราไม่ต้องทำเนี่ยมันเป็นซะ อ, อย่างนั้นเมี่ยงช่วยแกทําอย่างนั้นเนี่ยไม่รู้ใครทำเรื่อยๆอันนี้ก็แปรเหมกันแต่ทางปีที่ตชาติ น่าจะเบื่อจะหนท่านก็ไม่เบื่อไม่หน่ายทำอยู่อย่างนั้นนี่ ย, ยิ้มแย้มแจ่มใสใครจะไปว่าสงสงตามตามก็ไม่งุศยิดธิ์ใช่ใช่เอออันนี้ก็แปลกเหมือนกันนะเป็นของแปลกนี่ดังนั้นทุกคนอาการประพฤติปฏิบัตินี้ช้ากว่ากันเร็วกว่ากัน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 โอ้ยมันจะตายไปเดี๋ยวนั่นกิเลสมันอยู่ตรงนั้นแหละตรงที่เขาไม่ทําตามใจเรานั่นถ้าเขาทำตามใจแล้วมันก็ไม่มีอะไรหรือมันวันกิเลสมันหมดมันเหลืออยู่อย่างนี้น่ะกิเลสนี่นะอืเข้าใจกันไหมกิเลสมันเหลืออยู่อย่างนี้ไม่ใช่มันไมนได้ใจเราแล้วมันหมดกิเลสไม่ได้อย่างนั้นบางทีมันไม่ได้ใจเราอืมกิเลสมันเกิดขึ้นไม่เกิดทีนี้มันมีอยู่นั่นแหละมันยังไม่ฟูขึ้นมาเท่านั้นแหละ ดังนั้นคนเราชอบกันประมาณเราอยู่สบายแล้วกินสบายล้วก็อยู่นีอยู่นี่ที่ที่อยู่เลยไม่ไม่รู้สึกไม่รู้สึกตัวบวชก็เหมือนปลูกต้นไม้ก็เหมือนการปลูกต้นไม้มันง่ายหรอกใครจะมาปลูกก็ได้แต่มันสําคัญที่รดน้ํามันออืปลูกไปเท่าทวารวัดจิตใจหมดไม่ต้องรดน้ําใครปลูกก็ได้ ไม่ต้รดน้ําแต่มันไม่เกิดผลมันลาบากที่รดน้ําอืถจะปลูกต้นไม้แล้วสร้างโบดดังนี้ก็ไม่ยากเลยปีสองปีเสร็จแล้วมันลาบากที่สร้างเสร็จแล้วที่จะกวดที่รักษามันนี้ยังไม่เคยเสร็จเด็นีียังมีอีกต่อไปมันจะกวดจะทําเรื่อยไปอันนี้มันลาบากมากที่สุดแล้วนี่คือการปฏิบัติมันเอง น, นี้การบวดนี่มันก็ไม่ยากครับ เมื่อวานนี่เป็นลูกของชาวบ้านในวันนี้ก็มาบวชเป็นพระก็ได้อแต่ว่าบวชนี่แหละบวชมาแล้วมันสาคัญบวชเนี่ยเหมือนบวชไม่สําคัญแอกบวชมาแล้วนี่มันสําคัญอปลูกต้นไม้ก็ไม่สําคัญมันสําคัญตี่ปลูกแล้วมันมีใครรดน้ํานี่การรู้มันก็ไม่สําคัญแตนะ่การปฏิบัตินี่มันสําคัญมาก ปฏิบัติสำคัญมากถ้าไม่ปฏิบัติแน่ไม่ได้จะต้องปฏิบัติอย่างนั้นถ้าผู้มีพระภาคของเราจันท์จึงสันเซินข้อปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติแน่มันก็เสียมันไม่เกิดผลอะไรแล้วอย่างนั้นคุณบุตรลูกหลานเราที่เจริญรอยตามองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นครูบาอาจารย์ของเราท่านมองเห็นเหตุหการณ์ไกลแต่กส็สอน สอนลูกสอนหลานสอนพระเลขเน้นน้อยให้ประพฤติปฏิบัติก็ยากยากลำบากทำไมามันไม่รู้จักมันไม่รู้จักเหมือนกับเหมือนกับลูกของญาติโยมแหละมันเรี่ยงยากิเรือเกินมันขี้เกียจไหนมาทํางานมันก็ไมอยากทำอยากได้เงินเงินขอเงินนง่นเก่ง ในทำงานนั้นน่อยากจะทำะลูกญาติโยมชาวบ้านก็เป็นอย่างนั้นลูกพระพุทธเจ้าที่ยังไม่เป็นลูก แ, แท้ๆก็เป็นอย่างนั้นบอกนี่ทะเลไปนั่นบอกนั่นทะเลไปนี่อยู่นั้นแหละโกหกจะพ้องอยังตลอดไปอันนั่นชื่อว่าเกิดมาแล้วยังไม่เป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ไปสมบูรณ์อืมเนยมนุษย์ไปสมบูรณ์ก็เหมือนมนุษย์จะไปสมบูรณ์นั่นแหละ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 เราต้องปลุกใจตัวของเราเองทุกๆคนทุกๆ ท, ท, ท่านทุกแห่งอยู่ที่ไหนก็ตามก็จะต้องปฏิบัติกันในคั้างกฎการต้องมีผู้เลิศอย่างพระโมคคัลราดเทนี้แหละไม่น่าจะให้ทันเลิศเลยนะทำไมพระโมคคัลราชนี่นะผ้าหม่ๆ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่อยากจะใช้อาไรใส่แกนหนุเนี่นยมันดำผม สีดำสีข้ามอย่างนั้นแหล อ, อ, อคนไม่ชอบใจอย่างนั้นชอบสีสดใสถ้าโมกขลาาจะไปในที่ประชุมใหญ่ก็ห่ม อ, อย่างนั้นปะปะปะุยเปะอย่างนั้นจะไปที่คนมากท่านก็อยู่อย่างนั้นไปที่คนน้อยก็อยู่อย่างนั้นเข้าในชนบทในบ้านก็ทำอย่างอย่างนั้นเข้าในป่าท่านก็อยู่อย่างนั้นนุ่งหง่มเศ้าหมองอย่างนั้น ถ้าบรมศาสตราท่านเห็นพโมพกราชเป็นอย่างนั้นท่านก็นเอ้ยพโมพกราชนี้เป็นผู้เลิศในการถือผ้าสามองในในพุทธศาสนานี้มีองค์เดียวองค์อื่นก็มีเหมือนกันแต่มันไม่เลิศองค์นี้เลิศหลายนี่นไม่ต้องจะตกจะท่านนี่นี่แะท่านตกตรงในใจของท่านอื่นๆนั่นโอ้ยจะต้องถือมีผ้าสดสอยาย เขาไปในบ้านผ้าไม่โซดแตอายอายไม่ออกสาวอืออายกลัวเขาจะว่าอย่างนั้นกลัวเขาจะว่าอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้เน<ม>ี่ย แ, แต่บนโลกเป็นตันหานุ่มผมเป็นตันหาอยู่กินเป็นตันหาอยู่อย่างนี้อืมไม่ใช่ทางมาผลผานิพานอือันนี้ให้เราพิจณาถ้าเรารู้จักเรื่องสิ่งทั้งหลายแล้วนี่ก็รู้จากข้อปฏิบัติตื่นง่ายลุกง่ายตื่นง่ายว่องไวจิตใจ พิจารณาตัวอยู่เสมอเสมอเท่านั้นแหละเราจะคอยวันเวลามันนะเมื่อเวลาเรายังหนุบหน้อยไม่มีโรคไม่ไีภัยมันเกิดประมาทพิจารณาถึงความเจ็บมันก็ไม่เห็นเจ็บพิจารณาถึงความแก่มันก็ไม่เห็นแก่มันแน่นหนาเท่านั้นมันตึงตามันไม่เห็นก็อยู่บ่ายมาเลยพิจารณา อยู่ไปแก่ไปแก่ไปเป็นเป็นโรกมันเจ็บเลยนีมันเจ็บมันปวดเจ็บปวดก็ไม่เห็นอยู่ละเออแม่ถ้าไม่เจ็บนี่เราจะภาวนาได้ดีมากอันนี้มันเจ็บซะเนี่ยมันป่วยมันแก่ซะนะแก่แล้วก็ยังไม่เห็นแก่อีกอืแต่ก่อนมันหนุ่มจ้ะพิจนาไม่เห็นความแก่เมืนกันนี่แต่มันหนุ่มน้อยเมื่อมันแก่แล้วก็บเออแม่มันแก่ซะว่าถ้ามันไม่แก่กว่าจะดียังไม่เห็นอีกล่ะ จนตายเลยอหนุ่มก็ไม่เห็นหนุ่มแกก็ไม่เห็นแก่ได้จนตายได้เคยได้ยินอืแม่ขาวแม่ชีพระนิรนึง์กหญ่โอ้ยปีนี่ผมป่วยก็ทั้งปีเลยไม่ได้ทําเพี้ยนเลยเนี่ยอืไม่รู้ว่าเป็นไงป่วยคือคนโงูป่วยอหลรทางานทําใจเรานี่ยมันจะตายเมื่อไรนอเนี่ยมันจะคิดกันมา ง, ง่าย เออนี่ถ้ามันป่วยแล้วก็เสีย อ, อกเสียใจกลัวจะตายจะและ้ไม่ได้ทางานไม่ได้ภาวนาจะแล้วเนี่ยมันน่าจะขยันเข้ามันจะตายเมื่อนั้นเนี่ยน่าจะเร่งไอ้ความคิดเร่งการพิจารณาเข้านั่นเนี่ยต้องพยายามรักษาเนื้อเกินในมันหายที่จะภาวนาเนี่ยบางทีก็กินยาหายไปเลิก อ, อีกจะแล้วมีแรงเนี่ยไม่ต้องภาวนาอีกแล้วน่าเริงบันเทิงไปอีกโอ คนหลงก็หลงจนตายเลยแก่มันก็หลงหนุ่มมันก็หลงเจ็บมันก็หลงไม่เจ็บมันก็หลงจนตายอันนี้เป็นเรื่องที่สมคัญมากถ้าอุอตตรอมสันติสอนยังไงอาจารย์โนโจทะยานนานจงเตือนตนโดยตนเองนี่สิบห้าวันประชุมกันที่หนึ่งพระเจงในอาจารย์ทางได้เจงด้พูดให้ฟัง หรือแรมปีก็ไม่ได้ยินแต่พูดนี่อาศัยผู้อื่นเกือนเราอัตโนโจูทะยัจนังจงเตือนตอนด้วยตนเองถ้าเรารู้จักว่าเราเตือนตัวเองนะนุ้ยมันฟังทำทุกขณะนะแลันจะไปตรงไหนดไม่เตือนสักทีหนึ่งนี่ไม่เตือ น, ททนเอนท่ามาแล้วก็หลงงมแล้วกระหลงเจ็บก็หลงไม่เจ็บมันก็หลงนี่ ก็อันนี้ออกฉะนั้นคนเราจรึงมีคนประมาทอยู่อยู่ด้วยความประมาทไม่เห็นธรรมะคือไม่เห็นคนแก่นั่นแหละแก่มันอยู่ในหนุ่มหนุ่มมันอยู่ในแก่นี็ไม่เห็ น, นมันเป็นอย่างไม่ได้ปฏิวัติหนุ่มมันก็กั้นการปฏิวัติมันสนุกสนานแก่มาแล้วร่างกายไม่แข็งแรง อันนี้ก็ไม่สนุกสนานแล้วนี่ก็หาว่าเราไม่ภาวนาการดีสารพัดอย่างเช่นนั้นะฉะนั้นธรรมจิตให้เตือนเจ้าของพวกเราน่ะอาศัยครูบาอาจารย์เตือนเราลองๆทุกที่ใครจะไปเตือนเราใครจะตามไปทุกเจ้าจะตามไหมใครจะไปตามเราเราจะไปตามใครสอนแด้วกวับพิจนาพิจนา มันเห็นในตัวมีสติอยู่เสมอความเมืดมันปิดของเราอย่างนี้มิจะนั้นแต่เพียงใครที่เป็นคนเลิศเป็นปู่เลิศในหลักพุทธศาสนาพระภิกษุเนนแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจิจะจะจะองเป็นปู่เลิศเลิศในพุทธศาสนาในธรรมะอย่าไปเลิศนอกธรรมะเลิศในธรรมะคือพอแค่ปฏิบัติเน้นอันนี้มตถวนนี้มันหวานอยู่กจริง แต่ว่ามันต้องอาศัยการกระทบประสบจึงจะรู้จักกว่ามันหวานมันเปรี้ยวจริงถ้าอย่างนั้นมันก็หวานไอ้ผลไม้สิ่งที่มันหวานไม่มีอะไรกระทบมันก็หวานอยู่ตามธรรมชาติมันหวานได้ยัใครรู้จักอืมบานี้เหมือนธรรมะของพระพุทธเจ้าของเราเป็นสัจธรรมจริงอยู่คอยตาม แต่คนไม่รู้จริงมันก็เป็นของไม่จริงถึงมันจะดีเลือดประเสริฐสักเท่าไรก็รตามทีเถอะมันก็ไม่มีราคาเฉพาะคนที่ไม่รู้เรื่องอย่างั้คนจะไปเอาทุกข์ทำไมลรอใครจะรู้จักทุกข์วใครในโลกนี้ปฏิบัติเอาทุกข์เมื่อใส่ตัวมีมั้ยไม่มีใครเท่งนั้นนยไม่อยากได้ทุกข์ แต่ว่าสร้างเหตุทุกข์ให้เกิดขึ้นมามันก็เท่ากับว่าเราสแสวงหาความทุกข์แต่ใจจริงของเราสแสวงหาสุขไม่อยากจะได้ทุกข์เนี่ยมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้ไอ้ความตามความเป็นจริงแล้วก็จิตใจของเราเนี่ะแต่ว่ามันไม่ต้องการความทุกข์หรอก แต่ว่าทําไมมันจึงสร้างเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นมาดังเราดูเอ า, เานี้ก็พอ่ะใจเราไม่ชอบความทุกข์แต่เราสร้างทุกข์ขึ้นมาใ่ตัวของเราทําไมมันก็เห็นง่ายๆอยู่นี่ก็คือคนไม่รู้จากทุกข์นั่นเองไม่รู้จากทุกข์ไม่รู้จากเหตุเกิดของทุกข์ไม่รู้ความหลับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติถึงขึ้นความหลับทุกข์จึงประพฤติอย่างนั้น จึงกระทำอย่างนั้นจึงเห็นอย่างนั้นจึงพูดอย่างนั้นจึงเข้าใจอย่างนั้นอย่างนั้นมันจะมีทุกข์อไย่างไรก็เพราะคนทำอย่างนั้นถ้ามันเป็นเช่นนั้นมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้ทงรุ่นนะแหละแต่เราไม่เข้าใจว่าเราเป็นมิจฉาทิฏฐิ เราได้พูดเราได้ยินเราได้เห็นแต่มันเป็นทุกข์เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งนั้นถ้าไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิมันไม่ทุกข์อย่างนั้นหรอกมันไม่ยึดในความทุกข์นนั้นมันไม่ยึดในความสุขนั้ น, น, นไม่ได้ยึดตามอาการทั้งหลายเหล่านั้นอืม มันจะปล่อยวางไปตามเรื่องของมันเส้นกระแสน้ำที่มันเคยไหลมาไม่ต้องกั้นตางนมันให้มันไหลไป ต, ตามสะดวกของมันเท่านั้นก็มันไหลอย่างนั้นกระแสรธรรมะมันเป็นอย่างนั้นกระแสจิตของเราไม่รู้จักธรรมะมันก็ไปกั้นกางธรรมะโดยที่ว่ามันเป็นมิจฉาทิฏฐิ้วการจ ะ, ะโกนไป คือนโน้นมิจฉาทิสิ 4, มันอยู่ที่โน่นคนโน่นเป็นมิจฉาทิสิ 4, อยู่ที่นี้แต่ตัวเราเองเป็นมิจฉาทิสิ 4, คือทุกข์มันเกิดขึ้นมาเพราะมิจฉาทิสิ 4, ไม่รู้เรื่องอันนี้ก็น่าสังเกตน่าพิจารณามือนกันหน่ยถ้าเป็นมิจฉาทิสิ 4, เมื่ อ, อไรมันเป็นทุกข์เหมือนนั้น ไม่ทุกในเวลาปัจจุบันนั้นต่อไปมันให้ผลมาไม่ต้องเปลี่ยนทุกอันนี้พูดเฉพาะาคนเรามันหลงเลยนฉะนั้นอะไรมันปิดไว้อะไรมันบังไว้สมมติ มันบางบิดบึ้มให้คนมองเห็นไม่ชัดในธรรมทั้งหลายนั้นต่างคนกต่างศึกษาต่างคนต่างเล่าเรียนต่างคนต่างทำแต่ทำดรวยความไม่รู้จัก ก็เหมือนกับคนหลงตะวันนั่นแหละเราเดินไปทางตะวันตกเข้าใจว่าเราเดินไปทางตะวันออกเรือเราเดินไปทิศเหนือเข้าใจเราเดินไปทิศใต้อย่างเนี้ยมันหน้มขนาดนี้เราปฏิบัติีมันก็เลย เป็นชื่อของการปฏิบัติโดยตรงมันเนี่ยมันจะเป็นวิบัติวิบัตินี่คือมันพลิกกลับไปคนดินทางหมดจากความมุ่งหมายของธรรมะที่ถูกต้องสิ่งทั้งหลายนี้สภาพมันนี่เป็นเหตุในทุกเกิดเราก็เห็นว่าอันนี้ ถ้าทำขึ้นถ้าบ่นขึ้นถ้าท่องขึ้นถ้ารู้เรื่องอันนี้อือมันจะเป็นอย่ใน้ทุกดับก็<ม>เหมือนกับคนที่อยากได้มากๆอะไรอะไรๆก็มีหามากๆถ้าเราได้มากแล้วมันก็ดับทุกเท่านั้นก็เหมืมีทุกไอความพอใจขอ ง, งคนมันเป็นอย่างนี้อืมแต่ว่ามันมันมันคิดไปคนในทาง เหมือนกันกับไอ้นนนนคนนี้ไปคิดเหนือไอ้คนนั่นไปทิดใต้เนี่ก็ไปทางเดียวกันอยาเช่นั่นพุทธบริษัทเราทางไหนจริงจมมนุษย์ทางไานจริงจมจมอยู่ในความทุกอยู่ในวัฏสงสารนี้เพราะคิดอย่างนี้ ถ้ามันมีโครคภัยไข้เจ็บมา่อนึกเกยจากใครมันหายกันเะยมนึกแปลเลยว่า อ, อยากจะให้มันหายเดี๋ยวนี้ทั้งไข้หายฉะนั้นเะียม่นึกว่าเอออันนี้มันสั้งขาดเลยไมไ ม, ไ ม, มีใครนึกหรออืมมันสั้งขาดมนันเรื่องฟังไม่ได้ฟังไม่ได้ อ, องจะเอาให้หายให้หมดอืมอย่างนี้ แต่ผลสุดท้ายมันก็สู้ไม่ได้สู้ความจริงไม่ได้มดนี่คือเราไม่ ไ, ม ไ, มได้คิดเลยไม่ได้คิดไม่ทันนะมันไม่ได้คิดเลยแหละคือมันเห็นผิดหนักก็ไปเรื่อยๆก็ไป ไ, ไอการประพฤติปฏิบัติทุกอย่างนั้นนะให้มันเห็นธรรมะ มันเลินกระสิงทั้งหลายแลยมืมันเดิกประสิงทั้งหลายพระพุทธเจ้าองค์ให้สร้างบา ร, รมีตั้งเจทานาบา ร, รมีไปนี่คือปรมัตถาบารมีนะั่นเพื่ออะไรเพื่อให้รู้จักอันนี้เพื่อหเห็นธรรมะให้รู้ธรรมะแล้วปฏิบัติธรรมะให้ใจมันเป็นธรรมะให้ปล่อยวางเพื่อจะไม่มีหนักใหญ่มัน่น อย่าไปยึดมั่นถูอมั่นมันหือจะพูดง่ายๆอีกอย่างหนึ่งว่าให้ยึดแต่อย่าให้มันมั่นมีกระถูกเหมือนกันคือเราเห็นอะไรเราจับขึ้นมาดูใช้ยึดมาดูซะเอออันนี้มันทัานั้นระวังมืนกันเห็นอันนั้นดีก็ยึดจับมาอีกแต่อย่ายึดให้มันมั่นมาปีนาดูเรื่องแล้วปล่อยวางมันตรงนั้นถ้ายึดไม่วางแบบ ไม่อยู่ทั้งวัหนักตลอดเวลาถ้าเรายึดมาแบกรู้สึกว่ามันหนักพอควกว่าทิ่มมันเนี่ยเรายึดมาใช่เดี๋ยอันนี้มันเป็นทุกข์ระคอวานมันช้ะใหญ่ทุกข์มันเกิดเป็นมากพอเป็นเช่นนั้นพอรู้จักว่าอันนี้มันเหตุใี่ทุกข์มันเกิดเมื่อรู้จักเหตุใี่ทุกข์เกิดแล้วเน่ยทุกข์มันก็จะเกิดไม่ได้ทุกข์จะเกิดสูขจะเกิดมันอาศัยอัตตาตัวตน อาศัยเราอาศัยของของเราอาศัยสมมุติอ่นี้อืมถ้าสิ่งทั้งหลายแล้วนี่เกิดขึ้นมาแล้วมันวิ่งไปถึงสมุดแล้วมันก็เลิกถอนมันถอนสมมุติออกถอนสุขออกจากที่นั่นถอนทุก อ, ออกจากที่นั่นถอนความยึดมัน่นถือมันออกจากที่มันยึดนั้นอืเท่า น, นั้นอืก็ค่ายๆก็ทิ้วไอ ข, ข, ข, ของเราชิ้นหนึ่งน่อืม มันดูดมือจะหายไปแค่เราก็เป็นห่วงมันเป็นทุกข์มันอีกเวลาหนึ่งเันไปพบของเราตั้งคืนมาใอ้ความทุกข์ก็หายเรียบไปทีเดียวยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นวัตถุมันก็หายอย่างเราเอาของเราวางไว้ตรงนี้เราหลงนะก็นึกว่าของเรามันหายมาันก็ทุกข์เกิดขึ้นอืมเมื่อทุกข์เกิดขึ้นน่ะมันก็ จิตเก็พวงอยู่ตามสิ่งทั้งหลายได้นะอีกวันหนึ่งอีกเวลาหนึ่งจิตใจของเราจะยิดตกไปถึงของของเราโอ้เอาไว้ตรงนั้นจริงแน่นอนเลยนะอืพอนึกอย่างนั้นรู้ตามความจริงเลยไหมตา ย, ยังไม่เห็นของเลยพอความรู้สึกว่าของเราอยู่ที่นั่นเท่านั้นแน่นอนเท่านั้นก็สบายใจแล้ยตอนนี้อันนี้เรียวกว่ามันเห็นทางในเห็นทางตาใจ ไม่ใช่ความมันเห็นทางตานอกออืืเห็นทางตาใจถึงตานอกยังไม่เห็นมันก็สบัยเนลยมันก็ทอนทุกข์อย่างนี้กว่าเหมือนกันผู้ที่บำเพ็ญธรรมะบรรลุธรรมะเห็นธรรมะประสบอารมมาเมื่อไรพบมันก็คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันก็แก้ปัญหาได้ทันท่วงทีทางนั้น่ะแหอะหายไปเลย วางปลอยแค่นั้นท่านจึงให้พวกเราพบธรรมะอันนี้เราพบธรรมะต่ตัวหนังสือพบธรรมะกับตำราอือย่างนั้นมันพบตัวหนังสือมันพบเรื่องของธรรมะมันไม่ได้พบธรรมะตามความจริงที่พระบรมครูของเราสอนให้เห็นความจริงอืมมันพบตัวหนังสืออืม มันพบเรื่องของธรร ม, มะมันไม่ได้ไปพบธรร ม, มะมจะเข้าใจว่าพวกเราทั้งหลายเนี่ยปฏิบัติดียังไงปฏิบัติชอบอยังไงอะไรไม่ยังไงต้องไกลกันหลายทะานนั้นถึงยิ่งยกว่าเป็นโลกวิถู พระพุทธองค์ท่านเห็นเป็นโลกเวีทูรู้แจ้งโลกรเดี๋ยวนี้เรารู้ไม่แจ้งอเรารู้มันไม่แจ้งรู้ทรายยิ่งมืดก็ไปเท่านั้นรู้ทรายยิ่งมืดกับมันรูมืดไใจรู้มันแจ้งมันรู้ไม่ถึงนั่นเองคือมันรู้มืดเรารู้มันไม่แจ้งไม่สว่างไม่เบิกบาน ไอ้คนนำมรดกคาติดแค่นี้ท่านนะแต่ว่ามันไม่ใช่น้อยมันเป็นของมากทุกคนทุกสัตว์มันร่วนโดยมากเป็นกุฎุชนเรามันต้องการความดีมันต้องการความสุขท่านั้นเนีแต่ว่ามันไม่รู้จักก่าเหตุในมันสุขทุกข์เราเกิดขึ้นมาอย่างนั้นอะไรทุกอย่างถ้าเรายังไม่เห็นโทษมันเน่ะมันจะเป็นอย่างไรเราก็ละมังไม่ไ มันจะชั่วขนาดไหนเท่ากัระมัดในใดนถ้าเราไม่เห็นโทษอย่างจริงจังเห็นเมื่อไรเราเราเห็นโทษมันอย่างแน่นอนจริงจริงสิ่งทั้งหลายเรานั้นเลาวถึงจะปล่อยมันได้ว่าพอเห็นโทษอย่างแน่นอนจริงจังพร้อมกับการเห็นประโยชน์ในการกระทำอย่างนั้นในการประพฤติอย่างนั้นปฏิบัติอย่างนั้นขึ้นทันทีเปลี่ยนขึ้นนย้วนั้นทันทีเลย อันนี้ทําไมคนเราประพฤติปฏิบัติอยู่ทาไมมันถึงไปไม่ได้ทําไมมันถึงละไม่ได้คือยังไม่เห็นโทษมันอย่างเนี่ยคัดคือยังไม่รู้แจ้งไงรู้ไม่ถึงมันรู้มืดมันถึงละไม่ได้ถ้ามันรู้แจ้งอย่างอรหันตสาวกดุสโอมสมบิษฐ์ปัตตมารสมุทัยเจ้าของเราแล้วมันก็เลิกนเนี่ย <c oughs> แก่ปัญหามันดุดไปทีเดียวเท่านั้นเนี่ยไมยากไม่เป็นของยากไม่เป็นความลําบาก มันก็เหมือนกับใครเราหน่อแหละไอ้หูมันทํางานทางเสียงก็ให้มันทําตามหน้าที่ของมันิไปตามันทํางานทางรูปก็ให้มันิเอจมูกมันทํางานทางร้องก็ให้มันไอทำงานทางกรน๊ดก็ให้มันไิร่างกายมันทํางานด้วยถูกต้องโปรต้าฟ้าก็ให้มันทํางานไปมันิอืม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 อืมเราก็เห็นไหยที่เราเรียกว่าอันนี้ของเราอันนี้เราอันนี้ของเราใครเป็นคนไดไ้ใครมีพ่อเราได้ไหมแม่เราได้ไหมญยติเราได้ไหมใครได้ไหมใครได้ไม่มีใครได้ไม่มีใครได้ไไไดังนั้นพระพุทธองค์ท่นจึงบอกว่าวางมันซะวางมันซะ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 อันนี้รู้ในแง่เทมันจะพ้นทุกรู้ไอความรู้อันนี้มันเป็นรู้ที่สำคัญไอรู้เครื่องยนต์กลไกรู้อะไรสารพัดอย่างก็ดีเหมือนกันแต่ว่ามันเรื่องธรรมะก็ต้องรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้รู้อย่างนี้ไม่ต้องรู้อะไรมันมากหรอกรู้เท่านี้ก็พอสำหรับผู้ปฏิบัติรู้แล้วมันวาง ไม่ใช่บ่ตายมันถึงจะไม่มีทุกข์นะมันไม่มีทุกข์แต่เมื่อไม่มีชีวิตอยู่เพราะมันรู้จักแก่ปัญหาเพราะมันรู้จักมีมุตสมมุตนินี่อืมเอาเมื่อเรามีชีวิตเมื่อเราประพฤติปฏิบัติอยนเองเนี่ยไม่ใช่เอาที่อืน่นแบอย่างนั้นท้าจะไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมันมากยึดอย่างมันมัน่น อย่างเที่ว่าท่านอาจารย์ทาไมไม่พูดยังไม่ให้สอนอย่างนี้จะว่าให้สอนอย่างไไม่พูดเน่เพราะอันนี้มันแน่อย่างนั้นมันจริงอย่างนั้นจริงก็อย่าไปยึดมั่นมันเด็ถ้าไปยึดมัน่นมันก็เห็นไม่จริงเท่านั้นแหละเหมือนสุนัขไปจับหามันด็ จับมันไม่ปล่อยวางมันนี่มันมบกมากัดเราละลองลองดูสิสัตว์ทางปวงมันกันงูมันก็นไปยึดหางมันจิหนูมันกันไปยึดมันจียึดไม่ปล่อยมันไม่วางมันก็กัดเราเท่านั้นเนี่ยเนี่ยจะยึดจะให้ปล่อยมันให้วางมันสมมตินี่สมมติการให้ทําตามสมมติทํำได้อย่าไปยึดมั่นถือมันมันให้ปล่อยมันวางมันให้สมมุตินี่มันเป็นของใช้เพราะะฉนั้นให้มันสะดวก เมื่อเรามีจีวิตอยู่เนี้ไม่ใช่จะเป็นเรื่องเราไปยึดมั่นถือมั่นจนนมันเกิดทุกข์ทรมานอืมท่นั้นเน่ะคนนี้เอาไปท่านนั้นอะไรสิ่งที่เราเข้าใจว่ามันถูกแล้วเราไปยึดมั่นถือมั่นไม่แบ่งใครเนะนะี่ยคือเห็นผิดนะ้วเห็นผเป็นวิชชาทีท่ตีแล้วเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาปุ๊บมันเกิดมาจากอะไรเตุมันคือเป็นวิชชาทีท่ตีมันจึงผลมันจึงให้ทุกข์อืม ถ้ามันถูกผลมันเกิดมามันจะไม่ทุกข์ท่านให้ใช่ในเวลานี้ให้ใช่เท่านี้อืมท่านมาให้แบกมันมาให้ยึดมันมาให้มัน่นมันถูกก็เป็นของสมมุติเดี๋ยวก็แล้วไปคิดก็เป็นของสมมุติเดี๋วก็แล้วไปดังนั้นอย่าไปมัน่นหมายมันถ้าเราเห็นว่าเราถูกแล้วอย่างนี้อแต่คนอื่นมาแย่งกปอย่าไปอย่าไปยึดมัน ลอยไปไม่เสียหายอะไรก็อยู่ไปอยู่ตามเรื่องมันนะอยู่ตามเหตุตามปัจจัยของมันอย่างเต่าเรารู้แล้วเรา ป, รปล่อยไม่ไปตรง น, นั้นใช่ไหนไม่ใช่อย่างนั้นดิมันไม่เคยยอมกันเนี่ยอยไม่เคยยอมอย่างนั้นผู้ปฏิบัติของเรายังไม่รู้ตัวไม่รู้จิตใจของเจ้าของถ้าเราพูดอะไรจนกวดที่ว่ามันโง่เต็ม ท, ทีแล้วกยังว่าเราฉลาดอยู่นั่นเนอืม เราพูดโง่จนคนอื่นฟังไม่ได้แต่เราคนนึกว่าเราฉลาดกวคนอื่น ừ. จนคนอื่นทนฟังไม่ได้แต่ว่าเราดีเราถูกด้วยนั่นแหละมันขายความโง่ของเราไม่รู้เรื่องเหมือนกัน <ừ. S 1> ฉะนั้นปรางหลาท่านบอกว่าคำพูดอันใดวาจาอันใดที่ปราดสจา อันนี้จังแล้วคาพูดอันนั้นไม่ใช่คาพูดของนักล่ชเป็นคาพูดที่โง่เป็นคาพูดที่หลงเป็นคาพูดที่ไม่รู้จักว่าทุกข์จะเกิดตรงนั้นมไม่รู้จักถ้าเต็งเตงบอกว่าไอ้คาพูดอันใดที่มัน ปราศจากอดีจังเนี่ยคำพูดอันนั้นเป็นคำพูดของคนโง่ไม่ใช่เป็นคำพูดของนักปราศทําไมถึงเป็นอย่างเงินพูดง่ายๆก็แค ใ, ให้เห็นว่าไอ้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะไปกรุงเทพตามธรรมดาตั้งใจแล้วว่าจะไปกรุงเทพจะมีคนถามว่าพรุ่งนี้ท่านจะไปกรุงเทพหรือเปล่าคิดว่าจะไปกรุงเทพ บางทีก็ได้ไปบางทีก็ไม่ได้ไปถ้าไม่มีอุปสรรคขัดข้องก็คงจะไปถ้ามีอุปสรรคขัดข้องอยีางก่อแล้วไปนี่เดีวกว่าพูดอิงธรรมะอิงอนิจจังอิงความจริงอิงที่ของไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนไปตามอารมณ์ของมันไม่ใช่พวกนี้ฉันจะไปแน่ ถ้าไม่ไปทำไงกันไหม<ช>จ่ยอมใหนฆ่ามให้แกงไหมอะไรพูดกันมาว่า บ, าบาอบบงนะแต่ความเป็นจริงเถื่อนคำพูดที่ม า, ฐ า, ฐาตราชาธานิจังไน่ยม่ใจคำพูดของนักปราชญ์ <c oughs> มันยังเหลืออยู่มากเหมือนกัน การปฏิบัติทำไมมันลึกซึ้งไปเจตเปโตรมองมาเห็นว่าเราพูดว่าถูกแต่ว่ามันผิดไปทุกคําผิดไปจากดักความจริงทุกคําแต่ก็นึกว่าเราพูดถูกไปทุกคําแต่นั้นแต่พูดง่ายๆพูดอะไรบ้างทําอะไรบ้างอันที่มันเป็นเหตุนในทุกเกิดนั่นแหละอืม เรือกมันเป็นวิชาทิปติคือว่าคนหลงคนโง่โดยมากนักปฏิบัติของเราไม่ค่อยจะทบทวนอย่างนี้เห็นว่าเราดีก็ดีเยื่วยไป กินมาเราเลยไปพบอันหนึ่งเราเลยเป็นได้อันหนึ่งขึ้นมาคือเรื่องว่ามันดีดีดตลอดกาลตลอดเวลาอืม่ยแตก็ถือเนื้อถือตัวกันมาไม่ดูจากว่าเรานี่คือใครที่ว่า ด, ดีมันเกิดมาจากอะไรเดินกับนายนายกนายขอเหมือนกันหรือไ ม, ไม่อย่างนี้พระพูดุทธองค์ท่านให้วางเป็นปกติอย่างนี้ ถ้าเราไม่สับถ้าเราไม่ขบไม่เกี่ยวไม่ปฏิบัติคนว่าอันนี้ก็เรียกว่าอันนี้มันก็ยังจมอยู่มจมอยู่ในใจของเรานั่นแหละบางทีก็ไปติดหากาบั่งติดจดบั่งติดเสน่หเสน่ห์บั่งก็เปลี่ยนไปคนอื่นโตสองพันมาเนี้เราดีขึ้นแล้วสองพันมาเราเลิศขึ้นแล้ว สำคัญมาเราเป็นโน่นเป็นนี่เนี่ยสำคัญไปหมดแรกแล้วเกิด อ, อะไรต่ออะไรขึ้นมาวุ่นวายความเป็นจริงเองมันไม่จะไม่เป็นอะไรคนเรามันเป็นแต่สมมุติถ้าพนสมมุติมมตไปถึงไม่มุติเดี๋ยมันก็จะไม่เป็นอะไรเป็นสามัญญาลักษณะมีลักษณะเสมอกันมีความเกิดขึ้นเบนื้องต้นมีความแปรในธรรมตางมีความดับในที่สุดมันก็ถึงแค่นั้น อืเห็นสภาพมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็มีอะไรจะเกิดขึ้นมาถ้าเราเข้าใจเช่นนั้นเนี่ยมันก็สบายมันก็สงบที่มันไม่สงบก็เหมือนปัญจพักอืมประฟุดตามครูบาอาจารย์มาสอนอืมเมื่อท่านพลิกแพงไปอย่างนั้นก็ไม่รู้ว่าท่านจะคิดอะไรท่านจะทําอะไรก็เลยเหมาว่าท่าน ท่านทายความเพียรเรียนมาความบกพร่อย่างเดี้ถ้าตัวเราเป็นอย่างนั้นก็คงจะคิดอย่างนั้นก็คงจะเป็นอย่างนั้นไม่มีทางแก้ไขอย่างนั้นคนอื่นเป็นอย่างนังนึกื่องว่าเราจะต้องในความเป็นจริงนะพระพุทธเจ้าท่านเดินขั้นสูงขึ้นไปอีกจากพวกเราเรายังถืออยู่อย่างเก่าเราคิดเป็นในทางต่ํา ตอนนึกว่าเราคิดไปในทางสูงเห็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้นก็คิดว่าท่านคลายความเพียรเนี่ยเย็ยนมาักความมากๆแล้วเหมือนพอปัญจวัคคีปฏิบัติมากี่พรรษานี่ลองลงเลยขนาดนั่นก็ยังหลงอยู่ยมไม่ถนัดท่า น, นพระท่านจริงใจ อทํางานไม่ในตัวดูผลงานของเจ้าของคือมันไม่ยอมนี่เลยในเรื่องที่มันไม่ยอมแต่ที่เรื่องมันยอมมันก็สลายตัวไปทั้นทีถ้ามันในยอมมันก็จังตัวขึ้นมามันไม่สลายไปมันเป็นก้อนอย่างเงี้ยเป็นตัวประทานอย่มันมีการแบ่งเบ้า นักบวชนักโทษเราเลยมากก็ชอบเป็นอย่าง้งถ้าติดอยู่แง่ใดก็ดึงอยู่แง่นั่นเนี่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่พิิจพิจารณาไอ้ความผิดมันอยู่ในความถูกเห็นมาเราถูกแล้วก็เห็นมาเราไม่ผิดให้ความเป็นจริงความผิดมันฝังอยู่ในความถูกแต่เราไม่รู้จักเป็นอย่างไร่ะอันนี้แหละถูกแล้ว แต่คนอื่นว่าไม่ถูกก็ไม่ยอมไปเถียงกันนั่ะนี่อะไรมาทิฏฐิมานะทิฏฐิคือความเห็นมานะคือความยึดไว้ถือไว้ถ้าเรายึดในสิ่งที่มันถูกไม่ปล่อยให้ใครทั้งนั้นก็ดีวกว่ามันผิดมันผิดเดี๋ยวนั้นเน่ยถือถูกถู ก, ถกอยู่มาคิดเดี๋ยวนั้นยึดมัน่นถือมั่นในความผิดในความถูก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 มันจะวิ่งขึ้นมาทันทีความยึดมั่นหรือมันมันวิ่งขึ้นมาทันทีเลยอันนี้ไปนานบางทีก็เป็นวันสองวันสามเดือนสี่เดือนปีก็ได้ขนาดมันชา้าขนาดมันเร็วมันจะวิ่งสกัดห น, น้าอะไรไอ้ความยึดขึ้นมามีุบไอ้การปล่อยบังคับให้วางในเวลานั้น แล้วก็ต้องเห็นสองอย่างยี้นี่เรื่อยๆไปอันนี้มันเป็นยึดไอ้ผู้ที่มาหามความยึดยึดใครเมื่อเราถูกอารมณ์เมื่ อ, อไรให้มันเห็นสองอย่างมี้พร้อมกันประสานงานกันอืมตัวยึดมันมีไอผู้ที่มาหา้างความยึดเนี่ยมัน ม, นมีแล้วดูสองอย่างนี้เท่านั้นอะไปออืมแก้ปัญหาอันนี้บางทีมันก็ยึดไปนานก็ปล่อย แต่พิจารณาเรื่อยไปทำไปเรื่อยไปเกิดขึ้นมาพิจารณาเรื่อยไปก็ค่อยๆวันเทาไปน้อยไปพิจารณาไปไอ้ความเห็นถูกมันก็เพิ่มขึ้มาความเห็นผิดมันก็หายไปอความยึดมั่นถือมั่นมันน้อยความยึดมั่นถือมั่นมันก็เกิดขึ้นมามันเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนเป็นอย่างนั้นฉะนั้นแต่ยังให้พิจารณาอันนี้ แก้ปัญหาได้ในปัจจุบันบางทีไอ้ตัวนัน้นมันวิ่งขึ้นมาตัวนี้ก็วิ่งสกัดปุ๊บเลยหายไปเลยอันนี้เราดูภายในของเรา เ, เราดูภายในของเราอืมแก้ปัญหาเฉพาะภายในของเราเองถ้าเราแก้มันไม่ได้เป็นตัวตรงนี้ปุ่มนี้จับไว้อืม เมื่อมันเกิอดอีกทีไหนก็แพิจารณาตรงนั้นเพ่งอยู่พระพุทธองค์ให้เพ่งเพ่งตรงนั้นใหนมม้มากที่สุดทําใหม้มากที่ท่านสอนพระอนุนอนให้ทําให้มาก